เ, เทศเมื่อวันที่25กรกฎาคมพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดปุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณเนศสัมปันโนตามธรรมดาในเวลาพรรษาการประกอบความเพียรรู้สึกเป็นความสะดวก มาทุกๆการนี่จะพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศความรุ่งวรืองสม่ำเสมอไม่ร้อนนะักไม่หนามากเกินเไปการอยู่ก็มีที่จุดหมออายเรียวเกล็ด ของพรนษาเป็นร่วมกันจากนี้ถึงมันออกพรรษาเราก็า ح, ทราบภายในใจของดอาปุกตุต่างว่าไม่มีความจำเป็นที่จะไปรีนวันแรีคืนที่ไห น, นในเวลาปกตินอกจากมีกรณีพิเศษซึ่งจำเป็นจะต้องไปโดยวิธีสัตหะกรณียกิจ ทนั้นนั่นในโอกาสซึ่งเราหยินจำพรรษานี่จึงเป็นการที่เหมาะสมอย่างยิ่งถึงจะประกอบความภาคเพียรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่่ยการปิดปน โปรดทำให้จริงทุกทุกดายญาติเป็นคนหลักลอยจะเคยกินต่อ น, นิสัยแลเรื่อยๆในการต่อไปรีบแกเ้เสียในวันนี้ในเวลานี้เป็นลำหนักไปนั่นแหละเป็นการดีอย่ารอไปแก้ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้า จะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีซึ่งมีทางจะคอยกำเริบอยู่ทุกเวลานั้นให้มีกำลังมากขึ้นหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินทางโลกและผู้จะบาเพ็ญทางธรรมหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพพาะอย่างยิ่งนิสัยของนักบวชเป็นนิสัยที่ต้องเป็นนิสัยที่ทมั่นคง่าให้เป็นคนหลักลอยทำอะไรทำให้จริงมุ่งผลประโยชน์ต่อกิจที่เราทำจริงๆและทำด้วยความสนใจ การทำธระหน้าที่ทุกประโยชน์โปรดใช้ปัญญาชนิพิจารณาไปด้วยเราจะเห็นความบกพร่องซึ่งควรจะแก้ไขที่ตรงไหนบ้างในงานของเราที่กาลังทำไปเป็นประจำประจำไม่ว่างานประเภทเลย ราะักบวเป็นเพศตีค่าครควัวเป็นเพศที่สังรวมระหว่างไม่เป็นเพศทีหลุดพลนแต่เป็นเพศที่เดียเด่ยวอาหารในหน้าที่การงานที่ชอบทำลงไปแล้วมุ่งความสำเร็จเป็นที่ต่างทุกกรณี ผมมีความหิวกระหายอยากจะทราบผลแห่งการปฏิบัติของหมูเพื่อนตลอดมาทั้งอยากจะทราบผลที่การได้ที่ได้อบรมสั่งสอนมูเพื่อนมาเป็นเวลาไหนมีผลปรากฏอย่างไรบ้างจากท่านปุ ม, มาอบรมศึกษาชึ้นบางท่านก็อยู่เป็นเวลาหลายปีบางท่านก็เข้ า, ขาออ ก, ออก จะอยู่หลายปีหรือเข้าๆ อ, ออกก็ต่างหรือเอาหลักที่ว่าต่างท่านต่างมาศึกษาออกไปก็เพื่อปฏิบัติเข้ามาก็เพื่อมาศึกษาและปฏิบัติเพียงไม่มีอะไรแตกต่าง ก, กันกับผู้ที่อยู่มาหลายปีและผู้ที่ไปไปมามาหรื อ, อวบาเข้าๆ อ, ออกเนื่องจาก ความุ่งหนังมีเท่ากันทั้งผู้ที่เป็นประจำทั้งผู้ิไปไปมาดูก็อยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติไปก็ไปเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึ์ที่มีอยู่ภายในใจของตน เนเดียวกันารสอนก็รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังความสามารถทุกทุกด้านเท่าที่มีเพื่อบรรดาท่านที่มาศึกษาโดยไม่ได้มีปิดบังรี่รับไว้แม่แต่น้อย สอนทุกเวลาทุกอ i d ยาบทกสอนตามแต่เหตุการณ์จะเกี่ยวข้องใร้เดตักเตือนใน i d ยาบกใดสอนด้วยความจงใจมุ่งให้ผู้ได้รับจากคำสอนนั้น ให้รู้จินเห็นสิงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังยาบ ก, ก็สอนส่วนกลางก็สอนละเอียดก็สอนสอนจนเต็มกำลังความสามารถเนี่ยไม่อาจจะสอนให้ยิ่งกว่าที่เท่าที่สอนมาแล้วไปได้ เพราะความสามารถมีเพียงเท่านี้ท่านผู้มาศึกษาและปฏิบัติมีความรู้สึกอย่างไรบ้างบางการณีเป็นสิ่งที่ยํายาบทำไมจริงต้องพูดซ้ำซ้ำาับซ้ำซ้ำซับออกมากมาจนถึงกับว่าเกิดความลำคาญในการสอนไม่เพียงแต่ว่า ผู้ฟังอาจจะลำนึกลำคาญจากการสอนทั้ำๆผู้สอนก็รู้สึกมีความลำคาญและบางครั้งหนักใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละเอียดพอที่จะท่องหรือไม่สามารถจะจดจำมาได้แต่นี่เป็นสิ่งที่เลาอย่างไม่ถึงกับจะต้อง ท่องนเหมือนสวดมนหากเป็นผู้จงใจมาศึกษาจริงๆแล้วทำไมจะจำไม่ได้มีก็นางสงสัยอยู่มากทั้งๆก็ทราบอยู่ว่าการสอนคนงูต้องถอนซ้ำๆสักๆ ให้มันเข้าใจเหมือนอย่างคนฉลาดนั้นเข้าใจไม่ได้แต่ก็อดจะคิดไม่ได้ง่ขนาดไหนถึงจะไม่เข้าใจในคำพูดในเรื่องจบบอย่างนี่เป็นหนักที่จะให้พิจนารณาอยู่ไม่้อง อีกระการหนึ่งการที่พาหมู่อนสมัคนม า, านตุดงควัด ก, กอบเปิดใจเห็นร่องรอยของนามเห็นกรรมฐานที่เข้าใจว่าปนดันนนตามประพุทธเจ้าบับ การบินณบาตรก็เป็นเครื่องดัดั้นตาลความเจ็ดคร้างอันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งและมลมเมื่อให้ดื่มเนื้อดืมตัวในเมื่อมีเตลเลกาลามากเดี๋ยวจะเห็นว่าการบินทาบาตรไม่จำเป็นพเพราะเตลเลกาลาก็มีอยู่แล้วนั่นเป็นประเภทหนึ่งการบินณบาตรเป็นประเภทหนึ่ง และเป็นจิตประจำของพระเฉพาะอย่างยิ่งพืนรับปัจจุบั น, น, มนไม่ควรจะนวงข้าไปมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องถือเป็นประจำวินอนีซ้ำยังมีทุดงมกามัดย่ำลงว่าถือบินธบักเป็นมัดนะนะเป็นของไม่จำเป็นเหตุใดประพฤติจ้าจะทรงย่ำแล้วย่ำเรา ซึ่งตั้งตะวันอุปสมบททานขอชแสดงข้างหนึ่งแล้วเีว่าอานิสานมีบินตาบาทเป็นข้อหนึ่งด้วยแข็งอยู่ในอานิสา์ทั้งแปดนั้นมีน้ำซ้ำยังมีทู้ดงย่ำเขาอีกนำมาทานให้สมทานถือสมทานการบินตาบาทเป็นวัด ไม่คับคือไม่ให้ลืมเมื่อลืมตัวครับอาตาเลกาลากินีหรือว่าเปลแล้วเห็นว่าการบินหมากไม่จำเป็นไปเสียอัตาเลกาลาก็ถือว่าเป็นความจำเป็นหรือเป็นของมีคุณค่าอั น, อนหนึ่งที่ได้มาหึก เป็นของมีคุณค่าสำหรับจัตตาที่นำมาถวายการเมตตาบัดก็ถือว่าเป็นคุณค่าของเราที่เราได้ดำเนินจิตวิทหรือได้บำเพ็ญจิตวิทมาเห็นบุกคลและการงดเสียซึ่งอาหารที่มีผู้ตามมาสม่งเลยจุด ที่ได้ปรงใจไว้แล้วว่าจะไม่ลบข้อนี้ก็เป็นตะนดวงวัสดก่ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นข้อสำคัญอีกเช่นเดียวกันเพื่อจะตัดความรูเล่โลกมากในอาหารการกุศนความธรรมนาของใจ กว่าเป็นฝ่ายที่เหล็กแล้วจะไม่มีเมืองพอดีจะพยายามขยับตัวขึ้นไปเสมอจนไม่ทราบว่าปูดถึงเมืองสูงก็สูงจนมองไม่เห็นต่ำกับต่ำจนคาดไม่ถึงเหมือนกัน ถ้าเป็นฝ่ายที่เหล็นแล้วจิตรู้สึกจะชอบด้วยกันทุกวันความอิ่นน้ำสํำราญความอยู่สบ า, า, ายการใชยสอยสะดวกสบายกา ร, ารกบอันถันมีเลือเฟือสมบูรณ์บริบูรณ์อืมเป็นเรื่องของ ใสาสามันของพวกเราชอบกันมากแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงแยกออกให้มีเวลาได้พิจารณาตัวของเราถ้าจะนอนตมอยู่กับความเหลือเฟือเสีย ท, ทุกเวลาแล้วก็จะ ม, มองเห็นโทษแต่จะเป็นการเพิ่มเพิ่มภูมิ ความนอนใจขึ้นเป็นน้ำหนักฉะนั้นผู้สมทานผุ้ดงที่เกี่ยวกับการงดรับอาหารที่ตามต่งนี้ก็เพื่อจะตัดความฟุ้งเฟอเ้อเสริมในตามลดตามชาชาจ น, นขวดแล้วดัดแปลงตน เท่าที่จะดักแปลนได้ไม่เพียงแต่งดรับอาหารที่ศรัทธาเข้าตามสน่นแม้แต่อาหารที่ได้มาในบาปก็ยังมีอุบายวิธีอีกต่างหากในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละรายลลาย จะเลือกพินิพิจารณาตัวเองว่าสมควรจะเอามากหรือน้อยแค่ไหนนี่ยังเป็นธรรมะที่ละเอียดเข้าไปอีกของในบาตรจะมีมากมีอาหารประณีดบรรบรรตรงแค่ไหนและเราจะปฏิบัติต่ออาหารที่มีอยู่ในบาตรนั้นด้วยหลักธรรมะข้อใดจึงจะเป็นที่เหมาะสมกับธรรม ซึ่งเรามุ่งปรารถนาอยู่แล้วหรือจะให้เหมาะกับใจซึ่งเป็นไปด้วยความอยากเราต้องพิสูจรระหว่างความโลภ ก, กับธรรมะที่มีอาหารเป็นตัวเหตุนี่เราต้องพิจารณาอีกทีมีเป็นชั้นละเอียดเข้าไป เราจะชั้นมากชั้นน้อยแค่ไหนในบรรดาอาหารที่ได้มาด้วยความชอบธรรมในหลักพุทของเรของเรายังต้องพิจารณาซ้ำลงไปอีกทีแยกลงไปเป็นชั้นๆเพราะธรรมะมีหลายชั้นมี่มอบให้ เป็น อ, อุบายวิธีของแต่ละท่านที่จะนำไปพิจิตริจารณาบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ฉะนั้นที่นีอธิบายแยกๆให้ฟังจากผู้ดงสิบเป็นหลักไปแล้วอยาจะได้รู้จักวิธี พิจนารณาและปฏิบัติต่อ ต, อตอนเองตามธรรมนาธาตขันเท่าที่เคยได้สังเกตและได้ถึิผลตนมาตามสมควรเมื่อธาตขันมีกาลังมากมีกำลังมามก ด้านธรรมะภายในใจรู้สึกจะไม่ค่อยสะดุกในเวลาบางเพีงถ้าขาดขันมีการบกพร่องในสิงเยียวยาคืออาหารอีกใจรู้สึกว่าคร่องแคล่วพอสมาธิก็สงบได้เร็วกว่า ปกติเราพิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วไม่ค่อยอึดอจจฉงนั้นจึงได้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมานับแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกไม่ค่อยจได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์พูงสุดในอาหารการขบขันเท่าไรนะนี่จะมีจำนวนมากแต่กันยัง ต้องพยายามดัดแปลงตัวนเองตามวิธีที่ได้อธิบายผ่านมาในตะกีนนี้อยู่เสมอเพราะเคยเห็นผลไ ด, ได้ประโยชน์จากวิธีที่ทำอย่างที่หวานมาเป็นลำหนักลำหนักทางที่ถูกเราทำอะไรต้องสังเกตเสมอ ไม่สังเกตไม่ทราบผลอันแน่นอนส่วนบกครองหาเป็นส่วนละเอียดก็จะไม่ทราบแจะทราบเพียงส่วนหยาบๆถ้าหากใช้ความสังเกตแล้วจะทราบทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดเสมอไปแล้วก็รู้จักวิธีจะแก้ไขดัดแปลงต่อกัน ได้โดยสะดวกเช่นเดียวกันทาแบบจุ่มเราเห็นหมูเหมันทาก็ทาไม่สังเกตอย่างนั้นทนไม่ค่อยจะรากฏเป็นที่พึงพอใจ น, นะเนื่องจากขาดปัญญาคือการสังเกตตนเองในขณะที่ทานักปฏิบัติเพื่อจะํำ ัที่เรจริงๆต้องยอมเสียสละบั่งนั่นแหละเสียสละความสุขจากภาตจากขันแต่หวังความสุขทางด้านจิตใจจากธรรมะที่เราในพยายามฝุกจนอกจงเป็มสติกำลังความสามารถธรรมะจะค่อยปรากฏขึ้นที่ใจเป็นลำดับหนึ่ง การทำความเพียรในถือสติเป็นหลักสำคัญจิตจะสงบได้เหยยยินแต่ทันเทศที่เห็นในแบบในตำราสมาธิหรือความสงบใจ ตัวเราเองไม่เคยปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแม้แต่ น, อน้อยนี่ก็เรียกว่าเพียงเป็นข่าวเท่านั้นข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตตทั้งทั้งที่เราก็ตั้งหน้าจะบำเพ็ญให้เรานี่เป็นตัวตัวข่าวเช่อเอง แต่ว่าข่าวของของเรานันมันจะกลับกรงกันข้ามไปที่ที่ไม่ปรากฏข่าวอันแท้จริงในหลักธรรมคือสมาธิปัญญาวิมุติเนื่องจากข่าวของเราเป็นข่าวที่อ่อนแอข่าวที่ทำอะไรจับจุดจดห่อนเงี้ยคอนเทน ไม่จริงทำไม่จริงนั่งสมาธิก่อนนั่งหลับเดินจงกรมก็เหมือนนังน่งเดินธรรมดาก้าวขาไปก้าวขามาสติกับใจไม่ทราบดูเรื่องกันหรือไม่ไม่รับหรอกปัญญาก็ไดยยินแก่ถึ้จะนำมาให้พวนดูความผิดความถูกความเคลื่อนไหวข้งตน และจิตใจที่แสดงออกอยู่ตลอดเวลานแสดงไปทางไหนมากทางฝังสนมกิเลสยือทางแก้ไขถอดถอนกิเลสไม่ทราบเปลืองของกันเนยข่าวของเราชอบจะเป็นอย่างนี้มีแต่ข่าวความฟุ้งซ่านวุ่นวายมีแต่ข่าวอิดหนาละอาใจมีแต่ข่าวความเจ็บครั่ง ลำคางใจมีแต่ข่าวความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงเป็นเจ้าเรือนวาดภาพแสดงข่าวให้เราได้รับผลดีเสมอเสมอทั้งวันทั้งคืนเดือนห น, นึ่งน้าผลจินปากฏแต่ความรุนรนความไม่สมหมัง สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเป็นข่าวของเราจึงปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่สมหวังไม่ถึนปาฏิหาริย์ทั้งนั้นนั่งยืนเดินนอนเป็ น, น, น, น, นแต่ข่าวไฟเผาห้วใจไม่มีข่าวน้ำดับไฟเพราะฉะนั้นสมาธิอันเป็นข่าวแห่งธรรมะคือความสงบใจจึงไม่ปรากฏ ปัญญาอันเป็นขางความเฉลียวฉลาดรอบขอบเพื่อตอบค้อนสิ่งที่เป็นข่าวของเรามาดังอย่างนีนริงไม่มีทางจะปรากฏขึ้นมาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นยิมุกความหลุดพ้นจากสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจจะมีทางหลุดพ้นได้อย่างไรแล้วข่าวทั้งสามคื อ, อทั้ง สามคือสมาธิปัญญาวิมุต t นี้จะมีได้อย่างไรเมื่อมีแต่ข่าวความรกกวุหนังเต็มกิดเต็มใจอยู่ภายในตัวของเราไม่มีเวลาเพิกถอนกันได้แม้แต่ขนาดไหนเราจะหาข่าวมรรคผลวพภานที่ไหนมีภายในตัวของเราไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับ อยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ตลอดพระสั่งสอนเราอยู่ทุกเวลากต่อดก็เป็นแต่เพียงข่าวแห่งธรรมะเท่านั้นไม่ใช่ข่าวแห่งผู้สดับไม่ใช่ข่าวแหงผู้ทำจริงเอาจริงไม่ใช่ข่าวแห ผู้พยายามถอด ถ, ถอนตนเองด้วยความหากเขียงความอดความทนครับเนี่นพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราก็คงเป็นข่าวเช่นเดิมอยู่อย่างที่เป็นอยู่นัดมันวันนี้ก็เป็นข่าวอย่างนี้อยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นข่าวอย่างนี้ตลอดไปมีแต่ข่าวเช่นนี้เสริมตัวไปเป็นนำหนำๆ ขาวสมาธิข่าว ป, ปัญญาข่าววิมุตต์จะมีหน้าที่ไหนข่าวพ้ที่จะมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์ต้องเป็นข่าวของภูมิฉันทะวิริยะอิตะมิบงังสาฝังอยู่ที่ใจไม่ยอนถอดถอนนี่เนี่จะเป็นกุญแจอดอกสำคัญที่จะเปิดตู้สมาธิ ตู้ปัญญาตุยมุดขึ้นที่จิตใจอันเป็นที่ฝังอยู่แห่งกิตทั้งหายในวันหนึ่งโดยไม่ต้องจนสจเราต้องพยายามสอบถามตัวของหน่อว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อใครอยู่ล้น ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรบ้างหรือเราเชื่อเราถ้าเราเชื่อเราเวลานี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบ้างต้องเอามาเทียบเทียมกันความรู้สึกของเราเวลานี้หนักปในทางความภาคเทียนหรือขี้เกียจหนักไปในความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ หนักในทางสั่งสมกิเลสทั้งวันทั้งคืนหรือหนักในทางขอขอกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราต้องนำมาทดสอบตัวเองสมอเราจะทราบได้ว่าเราเชื่อทางไหนเนี่ยแล้วก็จะมีทางแก้ไขกันไป มีการทดสอบแล้วอย่างนี้ต้องเห็นข้อเท็จ ร, รู้เห็นข้อเท็จจริงทองหมโดยแน่นอนยังและจะมีทางแก้ไขต่อไปได้ไม่กลายเป็นโมฆะบุรุษอยู่ในเทศแทงภาคกาสรวะพัคือนักบุญอย่าให้สิ่งปลอมแปงนั้นเข้ามาแฝงอยู่ในเพศนี้ จะเป็นเพศที่ปลอมแปลงพระที่ปรอ ม, รอม ก, ก็ตามหลักธรรมก็เหมือนอย่างที่กล่าวมานี่แหละพระที่จริงก็ดำเนินตามหลักอิธิบัททั้งสี่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ที่เพื่อหลักธรรม ด้วยอิธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนหลนี่จะเป็นพระที่กินเป็นลําดับลำดับไปนับตั้งแต่ประโยชน์รชนเริ่มเนี่ยจนถึงประโยคสุดท้ายจากลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในองค์ของพระอันจมอมป็นีแล้วพิสูจน์พระของเรามอบให้ทุกทุกท่านนำไปพิสูจน์ตนเอง อย่าให้คนอื่นพิสูจน์ให้เพราะไม่ใช่หลักวินัยเป็นเป็นหลักธรรมแล้วแต่อุบายวิธีของตัวเองจะหาวิธีแก้ไขตนเองหรือสอบถามตนเองให้รู้ข้อเทจ็จจริงของตัวเท่านั้นเราเป็นพระประเภทไหนเวล้ ปลอมมากปลอมน้อยเท่าไหร่ถ้าปลอมปลอมถึงร้อยเปอร์เซหรือ9ก้าห้าเอร์แปดสิบปหรือเจ็สิเรซเรามีความจริงอยู่ในพระของเรานี้กี่เปรอร์เซ็นต์ถ้าจริงจริงด้วยอะไรถ้าปลอมปลอมด้วยอะไรต้องให้ทราบทั้งสาเหตุที่ปลอมทั้งสาเหตุที่จริง มากจริงน้อยป่อมมากปลอมน้นจะได้ส่งเสริมสิ่งที่จริงนั้นให้มีกาลังมากขึ้นและจะได้ชำระแก้ไขสิ่งที่ปลอมนั้นให้ลดความปลอมลงไปเป็นลาดับต้นจนความปลอมนั้นไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคือความเบริอุกต้นรูนลอยปวเศ รอมมากก็ทุกมากภายในใจรอมน้อยทุกน้อยสิ่งที่พรอมนั่นแหละคือสิ่งที่ให้ทุกข์แก่ใจของเราเพราะไม่ใช่ธรรมชาติอันจริงซึ่งพอจะให้คุณแก่ตนเองโดยสมบูรณ์ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ชำละ สิ่งที่ปลอมแลงอันแฝงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้หมดไปด้วยสีด้วยสมาธิด้วยปัญญามีอิทธิบาททั้งสีเป็นเครื่องสนับนสนินให้หลุดพ้นจากแหล่งเห็นความปลอมดังที่กล่าวมานี้ถึงฝั่งฝากพ้นคือทำทั้งแท้ หรือวิจเรียกพระนิพพานก็มีอะไรถ้าขัดแย้งกันเมื่อจิตบริสุทธิ์เนี่ยจะเรียกหรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาได้แก้ไขให้ร่วงร่วงไปหมดแล้วหรือว่แต่ธรรมชาติที่ จ, จริงยิงต่อจริงจริงไม่มีอะไรถกเสียงกันหาจริงบ้างตอมบ้างเถียงกันวันยั่งคำ ให้พุกทุกทํานํำไปพิสูตนเองการนอนใจการนอนใจนี่ก็เท่ากับการนอนตายนั่นการเกิดการตายอย่าถือว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องอคความนอนใจคือใครก็คือเราถ้าเรานอนใจก็เท่ากับเรานอนตายไม่มีวันตื่นไม่มีวันพ้น ความตายใครเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอที่จะกระยิมยิ้มย่องพึ่งเดิงมันถึงมันถึงไปด้วยแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ต้องการเหตุใดเราเป็นมนุษย์และยิ่งเป็นพระด้วยซ้ำจะไปนอนใจได้ยินดีกับความตายหรือนอนตายอยู่ด้วยความประมาทนอนใจอันนี้ไม่ใช่ทางของลูกศิษย์ราถาโคตผู้เห็นภายในวัฏฏะคือความโมยิ่ง ความมุนเวียนก็คือหมุนตายหมุนเกิดนี่เองเราทราบหรือไม่ว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์จนถึงกับเป็นพระนี่เราเกิดเราสงสัยที่ไหนเรื่องความเกิดตัวของเราเป็นผู้เกิดที่เห็นไปจากตรนี้ผู้ตายก็คือตัวของเราที่ยังเป็นอยู่นี่แหละเปลี่ยนจากเป็นอยู่นี่ก็เรียกว่าคนตายเมื่อเป็นที่นั่นความตายความเกิด เราจะสงสัยไปที่ไหนเพราะตัวเราเป็นผู้เกิดตัวเราเป็นผู้ตายอยู่แล้วแล้วความเกิดความตายนี้เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งหมดไม่มีเงื่อนใดที่พระพุทธเจ้าประทรมเสนอเพราะฉ ะ, ะนั้นท่านจึงย่ำดงองด้ยหลักธรรมว่าทุกข้างนาถิอาชาตาัสทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด ถามใ้เกิดแล้วก็ไม่ตายอะไรที่ทําให้เกิดให้ตายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจดวงเดียวนี้เลยเป็นผู้ท่องเที่ยวมาอยู่หยิบโน้นฉวยนี้ตามอัตภาพต่างๆด้วยอํนนานาจแห่งกรรมมีกรรมั่วการหยิบฉวยอัตภาพมาแต่ละร่างละร่างกินไม่สม่ําเสมอสูงๆต่ตําๆโนมุ่มดางรอน เป็นไปได้หลายภพหลายชาติจนความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็ น, น, นําหดักใหม่จากจิตรวงนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงตนเองดีเสมอด้วยความรยุติธรรากับกิริยาหมุนไปทางดีบ้างชั่วบ้างหมุนอยู่อย่างนั้นบัดนี้ก็เป็นอยู่ภาในใจถ้าหากเรามีสติปัญญาชังเกต ด, ดูเรื่องความเคลื่อนไหวั้งใจ ไม่ใช่จะโดดออกจากนี้แล้วไปตายจริงจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแต่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตของแต่บุคคลรู้จักแต่ละลายนั้ความคิดความปรุงความชอบความรักความเกลียดความสั่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวต้องแต่และเป็นสื่อที่จะให้จิตใจติดในสิ่งที่ชอบและเกลียดเหล่านั้นได้เท่ากัน จึงตอนให้อบรมทุน ง, งานพร้อมดีเวลาจะตายให้ะระลึกถึงธรรมะจะได้เป็นที่ยึดของใจนั่นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ชั่วช้าลามกจิต ใ, ใจจะไปติดในสิ่งนั้นนั่นเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้จิตผิดด้บเมื่อเป็นเี่นนั้นก่อนจะไม่จัดว่าความเคลื่อนไหวของจิตมีอยู่อย่างไวก่อนจะไปเกิดในภพใดภพใดจิตมีความเคลื่อนไหวในตัวอยู่แล้ว ตั้หน้าที่จะไปอยู่แล้ววิชาจับจิตอุบายจับจิตวิชาจับจิตคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบายจับจิตก็คือปัญญาที่เรานำจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใชา้ เพราะจิตเป็นธรรมชาติลึกลับหาสิ่งใดมาตามแก้ไขหรือตามไม่ทันนอกจากจะเอาหลักธรรมะมาตาหลังกีตเราภาวนากันนี่เป็นวิธีตามร่องรอยของจิตให้รู้จิตอยู่จิตรวมให้รู้จิตสงบไม่สงบ ให้รู้จิตส่งไปมากไปน้อยส่งไปกับอารมณ์อะไรดีใจหรือเสียใจมากน้อยแค่ไหนพยายามตามจิตให้รู้ด้วยอุบายวิธีภาวนาจนมีความสามารถอาจรู้ได้ถึงขั้นละเอียดกิริยาละเอียดของจิตและสามารถระงับดับได้หมดในความพยพว่าประเภทใดๆที่แสดงออกมาจากจิตจนกลายเป็นจิตที่หายปพยพ ปรากฏแต่ความบริสุดธิ์เพราะจักใจนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ผ่านพ้นความเปิดแก่เจ็บตายเสียได้อดีตอ น, นาคตจะไม่มีกั้บจิต ด, ดวงนั้นและไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตเสียใจดีใจเพราะอดีตอ น, นาคตเพราะปรากฏตัวด้วยความสมบูรณ์อยู่แล้วในปัจจุบันคือความบริสุด นี่การปฏิบัติธรรมะหากตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะไม่ไปจุดไหนนอกจากจะมาจิดนี้เท่านั้นการตัดพบตัดชาดไมได่เหมือนยอย่างเขาตัดท่อนไม้ท่อนถูกแต่ตัดื่องหลักธรรมะตัดด้วยความภาคความเลียรความอดความผลความสละเป็นสละตายชีวิตนี้เป็นของมีคุณค่า สำหักท่านผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยความสนใจแต่เป็นโมฆะสําหรับคนประมาทไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยตายทิ้มเปล่าๆเราจะเอาทางไหนเลือกเต้นตัวในเวลานี้จะเอาแบบเป็นโมฆะตายทิ้มเปล่าๆหรือจะเอาแบบมีคุณค่าในชีวิตเพราะเป็นผู้มีความกร้าหาญต่อความเพียรจนสามารถทํากิจให้หลุดพ้นไปนด้ ด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญซึ่งจัดว่าเป็นจิตที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกโตรดพากันเลือกเป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าง น, อน้อยใจทางโมฆะก็อธิบายให้ฟังแล้วทางที่มีคุณค่าก็อธิบายให้ฟังให้ฟังแล้มอบให้เป็นหน้าที่ของทุกท่านานําไปป ร, ปรับปรุงแก้ไขได้เลือกเป็นตนเองจะไปทางไหน ตัดสิงนใจตั้งแต่บัดนี้ลมหายใจมีเพียงเข้ากับออกถ้าขาดเสียงเงินใดเงินหนึ่งแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันทท้านั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าสัตว์ตัวใดดึงไม่ควรจะนอนใจกับลมหายใจเพียงตท่นี้การแสดงการประหุน้นควรถึงเวลาเขาหยุดเพียงท่นี้